ช่วงนี้เรามาทำบุญนะอย่างแรกก็คือรับศีล น, นะรับศีลนี่ก็เป็นการทำบุญแต่จะได้บุญจริงๆก็ต้องเมื่อได้ปฏิบัตินะก็คือว่าหลังจากจที่สมาทานศีลแล้วเราก็นำไปปฏิบัติกบบชีวิตของเราทำได้มากแค่ไหนก็ได้บุญเท่านั้น ทำสักครู่แล้วก็ถวายทานทานนี่ก็เป็นการทา บ, บุญหรือทาความดีขั้นต้นเลยนะในศาสนาบุญกิาวัตถุสารประการก็เริ่มต้นในทานตามไปด้วยสีบารมีส0ก็เริ่มต้นในทานสังขาวัตถุสีที่หมายถึง การกระทาเพื่อหรือหลักธรรมที่สมานผู้คนให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เริ่มต้นด้วยฐานทศเสวิราชธรรมก็เริ่มต้นโดยทานอันนี้ก็แสดงว่าการให้เนี่ยเป็นความดีเบื้องต้น แล้วก็เป็นความดีขั้นพื้นฐานที่เราควรทำเพราะว่าจะทำให้เกิดความสุขเกิดความสามัคคีเกิดความาราบรื่กลมกลืนกันในหมู่ผู้คนเวลามีความขัดแย้งกันเนี่ยถ้าเราแทนที่จะโต้อตอบกับ ด้วยคำพูดที่รุนแรงเราใช้ทางเนี่ยเป็นสื่อได้อีกผู้ชายคนหนึ่งขายของที่จตุจักเปิดร้านก็ราบรื่นมาตลอดจนกระทั่งต่อมาร้านตรงข้าก็เปลี่ยนมือ ก็มีคนใหม่มาร้านร้าให้ตรานตรงข้ามร้านติดกันเลยคนที่ย้ายมาใหม่เนี่ยแค่วันแรกสองวันแรกก็แสดงนิสัยใจคออกมาคือเอาป้ายเนี่ยป้ายใหญ่ๆเนี่ยมาวางไว้หน้าร้านของคนคนที่ว่าเนี่ยคนที่ถูกร้านคนที่ถูกเลียดบังเนี่ยนะ สมมติว่าชื่อพอรอีกร้านน่ที่เด็กกันเนี่ยสมมติชื่อว่าเจี๊ยบก็แล้วกันนะเจี๊ยบเนี่ยก็เอาป้ายเนี่ยของร้านตัวเนียมาขวางมาวางไว้ตรงหน้าร้านของพอรลากขบานถึงเกือบในสาม ต อ, อนนี้ก็ก็ไม่พอใจนะเพราะว่านี่เป็นการเห็นแก่ตัวแต่แทนที่เขาจะไปต่อว่าเขาก็ไม่ามเพราะเขารู้ว่าการต่อว่าไม่ได้ช่วยอะไรวันต่อมาเนี่ยเข้าไปข้างนอกเขาก็ซื้อผลไม้ซื้อส้อมเสื้ อ, องหุ่นสองกิโล แ, แล้วก็แทนที่จะเดินเข้าร้านของตัวเองนะก็ตรงมาที่ร้านของเจ๊บเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเมื่อกี้ผมออกไปข้างนอกมาถึงผ่านเห็นร้านผลไม้ผลไม้มันดูอร่อยน่ากินมเมื่อเคี่ยวคุณคงชอบผมก็เลยซื้อมานะเจ๊ฟที่แล้วก็แปลกใจกระกระอ่วนใจเพราะไม่เคยรู้จักกันมาเลย ก็พูดว่าเกรงใจนะเียส่วนความก็บอกว่าเมื่อเกรงใจนะเราเป็นเพื่อนบ้านกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันนะผมเห็นคิดว่าเฮียเนี่ยคงชอบผลไมน้นี้ก็เลยซื้อมาฝากพอคุยกันแบบนี้แล้วเนี่ยความเป็นนี้ก็เริ่มเกิดขึ้น แล้วก็เลยคุยกันสองคนนี้ก็เลยคุยกันเหมือนกับว่ารู้จักกันมานานเสร็จแล้วพรก็กลับเข้าร้านของตัววันรุ่งขึ้นพรจะเปิดร้านเหมือนปกติแต่คราวนี้ปกติว่าไอ้ป้ายมันนะที่เคยมาบังหน้าร้านคนนี้หายไปละพรก็เลย เดิไปถามเจีย๊ยบเฮียไอ้ป้ายที่เห็นเมื่อวานเนี่ยที่อยู่หน้าร้านเนี่ยมันไปไหนแล้วเจียก็บอกว่าไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่ในร้านนี่แหละแล้วก็ชี้ให้ดูพลอยก็เลยถามอ้าวทำไมไม่ไปวางไว้ที่หน้าร้านเหมือนวันก่อนล่ะจึ๊ก็บอกว่าวางไว้ตรงนั้นมันน่าเกลียดขวางร้านเฮียลูกค้ามองไม่เห็น เอาาไว้ในบ้านเนี่ยดีแล้วพอไม่ทันไม่ทันแย้งไม่ทันท้วงเจี๊ยบรือเรื่องเอาป้ายมาวางไว้ที่หน้าร้านเท่านั้นแต่ว่าทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงใปเพ่ออะไรนะพวาการให้ความเ อ, อื้อเฟื้อความมีน้ำใจความเป็นมิตรปกติเนี่ยคนเวลาเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยก็จะต้องไปต่อว่า ทำไมที่เอาป้ายมาวางไว้ขวางไว้หน้าร้านผมทำนี้มันถูกที่ไหนแต่เราเกิดเกิดกันทะเลาะกันแต่ปอนก็รู้ว่าวิธีที่ดีกว่าหน้าคือความเอื้อเฟือ้อความเป็นมิตรซึ่งแสดงออกด้วยการให้าทานทานยั่แปลว่าให้กับพระหรือว่าให้ขอทานเท่านั้นนะ ความเอื้อเฟื้อกันด้วยสิ่งของก็เรียกว่าทานอันนี้ก็ตรงอับที่ะยาตัดว่าเนี่ยเอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความตำหนีด้วยการให้ท า, านเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสัพามที่สื่อให้เกิดความเป็นเป็นเพื่อนกันแล้วคนภายเนยพอเป็นเพื่อนกันแล้วนะความเกลียใจก็ตามมา ที่ยังไม่ที่ไม่เกรงใจกันเพราะว่ายังไม่มีความเป็นเพื่อนพอเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยนะเกรงใจคนีเวลาไม่เป็นเพื่อนกันนะเวลาไปกินอาหารด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างออกหรือบางทีก็พยายามที่จะใช้อุบายให้คนอื่นเนี่ยออกให้แต่พอเป็นเพื่อนกันแล้วนะเกิดอะไรขึ้นแย่งกันออกใช่ไหม ถ้าความเป็นเพื่อนเกิดขึ้นได้เนี่ยก็จากการให้ทานดังนี้ทานเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่มีอานิสงส์ทําให้เกิดความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล เ, เ, เ, เ, เ, เป็นน้นํานงใจเดียวกันมันจะมีผลต่อผู้ให้ด้วยผลต่อผู้ให้นี่คืออะไรผลต่อผู้ให้ก็คือเกิดบุญขึ้นมา อันนี้บุญเนี่ยหมายถึงอะไรหลายคนก็คิดว่าเออถ้าเราถวายของกับพระเชินถวายสังฆทานเราทำบุญเยอะๆก็จะเกิดโชคเกิดลาภตามมาร่ำรวยมีงานการที่มั่นคงได้เลื่อนตำแหน่งพวกที่เรียนปริญญาโทนะตอนทำเยียนที่ผลนี่ก็เริ่มไปทำบุญกันเยอะ เพราะว่าทำแล้วเนี่ยจะทำให้จบนะวิชานิพนธ์ ผ, ผ่านไม่ว่าโทรหรือเองคนคนทั่วไปเราเข้าใจบุญเนี่ยนะคืออนนี้ก็คือทำให้เกิดโชคเกิดลาบแต่ที่จริงแล้วบุญที่สำคัญเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของตัวเองเช่นเมื่อให้ทานแล้วเนี่ย ความเหงื่อตัวลดน้อยลงอันนี้เป็นวัตถุประสงค์งการให้ทานเลยนะที่พรุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ทานเนี่ยเป็นเครื่องลดความตนันหนีทานเนี่ยเป็นเครื่องกําจัดความตนันหนีอันนี้คือวัตถุประสงค์ข้อแรกเลยนะของของทานที่พรุทธเจ้าเนี่ยสรรเสริญเมื่อเราก็ตามที่ความตนหนีลดลงความเหงก่อตัวลดลง ความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุสิ่งของลดลงเนี่ยอันนี้เรียกว่าบุญเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าถ้าเราเห็นกับตัวน้อยลงความโลภน้อยลงใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะเบาเราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นถ้าเรามีความตณ์หนีน้อยลงมีความยึดมั่นถือมั่นน้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยได้ตระหนักนะคนจะคิดว่ามีมากๆจะจะมีความสุข ความสุขคนสมัยนี้คือการมียิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดนะีมีอะไรก็คือมีวัตถุมีเงินมีชื่อเสียงกติยศแต่ในทางธทมแล้วเนี่ยความสุขเกิดจากการที่ลดละนะเริ่มต้นด้วยการลดละสิ่งของเพื่อ น, นำไปสู่การลดละความมีตัวลดละความยิดมั่นถือมา่ พราะาเรามีความแข็กตัวน้อยลงนะเราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นคนทุกวันนี้เนี่ยมีมากมายเข้าของมากมายแต่ความสุขไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยกลับน้อยลงความทุกข์กลับมากขึ้นดูยังไงก็ดูจากคนที่เป็นโรคประสาทคนที่เป็นโรคโรคเครียดนี่ ไม่ได้ลดลงเลยนะมากขึ้นรายได้คนไทยเนี่ยในช่วงส0 4สสี่สปีเนี่ยเพิ่มขึ้นไปสิบเท่าแต่ว่าคนที่เป็นโรคจิตโรคประสาทก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยคนที่ติดยาก็เพิ่มขึ้นเป็นล้านเลยนะคนที่ค่าตัวตายเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกปีปีที่แล้วก็4ี่พันคนนะ ถือว่าเยอะนะเมื่อเทียกับเมื่อสมัยที่พ่อแม่เรายัางเด็กนี่คคุณ่าตัวตายนี่มีน้อยมากนั <c oughs> ่นแสดงว่าอะไแสดงว่ายิ่งมีมากเนี่ยไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะมีความสุขมากมีมากทุกอาจจะมากขึ้นก็ได้ถ้าหากว่าความยึดติดตัวมากขึ้นความยึดติดถือมั่นในวัตถุนะในสิ่งของนี่มันมีมากขึ้น ถ้าเราอยากจะสุขนีสุขง่ายแล้วก็มีความทุกข์ได้ยากเนี่ยสิ่งที่เป็นหลักประกันอย่างแท้จริงคือการทำให้ความต่อหนีในใจเราลดลงความเห็นแก่ตัวความโลภความยิดติดถืงมั่นในใจเราลดลงแล้วเราจะมีความพอใจในชีวิตได้ง่ายขึ้น มีเพื่อตอมาคนหนึ่งเป็นนักเล่นหุ้นตอนนี้เลิกเล่นไปแล้วแล้วก็เลิกแล้วก็เล่นแบบเรียกว่าเต็มที่เลยนะแต่ตอนหลังก็เห็นสัจธรรมว่าเล่นไปก็ไม่ได้มีความสุขได้เงินก็ไม่มีความสุขแต่ก่อนอยากได้เงินแต่ตอนนี้อยากได้ความสุขแล้วก็เลยเลิกเล่นเล่า ว, ว่าตอนที่ยังเล่นอยู่เนี่ยไปเจอคุณป้าคนหนึ่ง ที่ตลาดหุ้นแกก็ไปตลาดหุ้นทุกวันนะซื้อถูกขายแพงวันหนึ่งก็ไปรู้จักคนบ้าง น, นี้แล้วแกก็ไลฟ์ฟังวันนี้เมื่อสามวันก่อนเนนะี่ยขายหุ้นไปตัวหนึ่งได้กําไรสิบล้านกําไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ยอดเงินที่ได้นะกำไรสิบล้านเพื่อนตามาก็เลยบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณป้า ป่าวอกกินดีอะไรกันหลัถ้าฉันขาขึ้นวันนี้ฉันได้กำไรกันยี่สบล้านคุณป้าได้สิบล้านนี่ไม่มีความสุขไม่ได้ดีใจเลยนะเพราะอะไรเพราะอยากได้2ี่สิบล้านจิบล้านนี่มันถูกว่าตู้รางวัลที่หนึ่งกี่บาบนะสี่ใบห้าใบใช่ไหมแล้ว น, นี้ไม่จบนะวันรุ่งขึ้นคุณป้าก็ไม่มาที่ตลาดหุ้น เพื่อนบังก็เลยไปถามมาร์เก็ตติ้งว่าป้าหายไปไหนมาร์เก็ตติ้งตอบว่าพิงป้าเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรเครียดที่ได้แค่สิบล้านใช่ไหมคือถ้าใจนะไม่รู้จักพอนะใจท่ า, ายก็ไม่มีความสุขเพราะอยากใจได้มากกว่าเดิม และในกรณีนี้คุณป้าไม่ได้คิดว่าตัวงได้สิบล้านและคุณป้าคิดว่าตัวเองเสียสิบล้านนะคนที่วางใจไม่เป็ น, นได้คือเสียแต่คนที่วางใจเป็นเสียคือได้อย่างเมื่อสี่ปีที่แล้วมีน้ําท่วมใหญ่อันนี้เราคงทราบในปีห้าสี่ก็มีหลายครอบครัวสิ้นเนื้อประดาตัว พ่อคนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นแสนนะเสียหายสูญเสียทรัพย์สินกันมากมายบางคนก็เสียเงินไม่พอเสียใจบางคนก็เสียใจเจริญคือบ้าบางคนก็ถึงกับเสียชีวิตคือฆ่าตัวตายแต่ก็มีบางคนก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรอาจจะทุกร้อนจะเสียใจแต่ภายหลังก็ได้คิดมีคนนึงบอกว่า น้ำท่วมคราวนี้มันก็มันได้มาสอนเรานะมันได้สอนมันได้สอนตัวเราว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลยของทุกอย่างอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวมาแล้วก็ไปอยู่ที่ว่ามันจะไปแบบไหนบางทีก็น้ำก็พาพาพัดพาไปบางทีคนก็ออกไปอันนี้ถือว่าได้นะ เสียทรัพย์แต่ว่าได้ธรรมะธรรมะที่นี่คือความจริงความจริงว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนอาตมาว่าอย่างนี้ยเรียกว่าได้กําไรเพราะว่าคราวหน้าเนี่ยหากว่าเสียอีกก็ไม่ทุกข์ละเพราะว่าทําใจตั้งแต่แรกว่ามันไม่ใช่ของเราเลยมันอยู่กับเราเป็นแค่โชคลาภ สมบัติเนี่ยเสียไปซื้อใหม่ได้แต่ว่าธรรมะเนี่ยนะมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะมันต้องอาศัยการเรียนรู้และบางทีเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ไม่น่าพอใจเช่นความสูญเสียความพัดพราดแต่ถ้าถามว่าเรามองเป็นนะเสียคือได้เสียทรัพย์จได้ธรรมะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสุขหรือทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราแม้ได้โชคได้ลากแต่อาจจะทุกข์ก็ได้ถ้าใจมีความโลภใจไม่รู้จักพอหรือมองไม่เป็นแต่ถึงแม้สูญเสียเจ็บป่วยอาจจะมีความสุขก็ได้อย่างเรื่องมีหลายคนบอกว่าขอบคุณ มะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งเมื่อเร็วๆนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมะเร็งสามีเป็นพิธีกรรายการจอดใจนาจําชื่อไม่ได้นะเธอก็เพิ่งเขียนก็มีบทความมีคนไปสัมภาษณ์เธอแล้วเธอก็พูดมันทำนองนี้แล้วว่าขอบคุณที่เป็นมะเร็งเพราะทำให้เธอมีความสุขทําให้เธอเนี่ยเห็นคุณค่าของเวลา แต่ละนาทีทำให้ใช้เวลาและชีวิตมีคุณค่ามากขึ้นอันนี้แปลว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจและอะไรที่ทำให้ใจเป็นสุขได้ง่ายก็คือใจที่รู้จักปล่อยวางและใจที่รู้จักปล่อยวางเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรไม่ใช่เกิดขึ้นเองแต่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนการปฏิบัติ การผลักดันการปฏิบัติก็เกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการให้ทานให้ทานกับผู้ที่ควรได้รับไม่ต้องจอดจงว่าต้องให้กับพระคนไทยหลายคนเนี่ยจาะจงที่จะให้ทานกับพระแนะต้องเป็นพระอริยะด้วยแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ เดรฉานเป็นคนยากจนก็ไม่สนใจนะอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าอยากได้โชคได้ลาภจากการทําบุญกับพระอยากได้โชคได้ลาภจากการทําบุญกับพระรยาเจ้าอันนี้ก็แสดงว่ายังมีความโลภอยู่นะติดใจไม่ได้เอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างแท้จริงซึ่งอันนี้เนี่ยมันทําให้ได้บุญน้อยไม่ช่บไม่ได้บุญนะแต่ได้บุญน้อยเพราะว่า ไม่ได้ลดไม่ได้ละไม่ได้กาจัดความตนนีแต่ถ้าหากว่าต้องการได้บุญมากๆนะก็คือให้ทานเพื่อมุ่งลดละความโลภมุ่งกำจัดความตนนียกตัวอย่างเช่นเวลาจะถวายเนี่ยก็ไม่ได้ถวายว่าขอได้นั่นได้นี่ขอให้ร่ำรวยขอให้มีชื่อเสียงเคยมี เรื่องเราว่ามีพระเนี่ยบวชกับหลวงปู่ดูวัดสกแก่หลวงปู่ดู่พระมหาปัญโวนท่านกำลาณนภาพาไปหลายปีแล้วนะโอยยี่สิบปีแล้วรนะาท่านมาบวชก็ไม่สรางนานเท่าไหร่จะบวชพันษาหนึ่ง น, นะเสร็จแล้วก็มาจะมาศึกก่อนจะศึกก็มาขอมากราบหลวงปู่ดูแล้วขอพรให้ช่วยลดน้ามนต์ให้ หลวงพ่อเราก็ทําให้นะแล้วก็ปรมน้ํามนต์ระหว่างที่ปรมน้ํามนต์เนี่ยพารุ่นนั้นก็อธิษฐานในใจว่าขอให้ร่ารวยขอให้มีโชคมีลาบมากๆนะขอให้มีความมั่งมีบริษัทบริวารเยอะๆหลวงพ่อลูกูดูท่านพรมน้ำมนต์เสร็จท่านก็บอกว่าไอ้ที่คิดในใจเนะี่ยมันยังต่ําไปนะรู้ได้ไงไม่รู้นะอไอ้ที่คิดในใจเนะี่ย ไอ้ที่ท่านคิดในใจแมังต่ำไปนะทำไมไม่ขึ้นมาสูงกว่า น, นี้แล้วเดี๋ยวที่ท่านคิดมันจะมาเองนะแล้วคนไทยจำนวนมากเนี่ยเวลาอธิฐานเนี่ยก็อธิษฐานในภาพลุ่นนี่ยคืออธิษฐานในสิ่งที่มันต่ำนะไม่ได้คิดไม่อธิษฐานในสิ่งที่สูงนะสูงคืออะไรนะก็คอยมีธรรมะขอยมีความสุขใจ ขอให้ได้ได้พบพระธรรมคําคสอนอะไรนี่เป็นต้นหรือว่าได้พบกับได้เข้าถึงพระนิพพานเนี่ยอันนี้เรียกว่าสูงส่วนใหญ่เนี่ยคิดคิดในทางต่ำนะไม่ได้คิดในทางชั่วระไรแต่ว่าคิ ด, คดเรียกมั่งน้อยก็ได้นะเพราะว่าไอการได้โชคได้ลาบเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะเป็นหลักประกันของความสุขใช่ไหมมีโชคลาภไม่แปลว่ามีความสุข ก็คุณป้าก็ได้1ิบล้านเนี่ยไม่ไม่ใช่โชคเหรอ้วแกสุกไหมแกก็ไม่สุขแกเข้าโรงพยาบาลเพราะความเครียดของแกดังนั้นถ้าชาวพุทธเราต้องปรารถนาที่มันสูงกว่า น, นั้นเช่ น, นก็ขอให้ใจได้เข้าถึงธรรมะขอให้หมดความยึดมั่นถือมั่นขอให้ได้เข้าถึงพระนิพพานอะไรนี้เป็นต้ น, น พระสายลิบุญเนะี่ยท่านเคยกล่าวนะว่าบัณฑิตเมื่อให้ทานเนี่ยนะย่อมไม่ให้ย่อมไม่ย่ยอมไม่ให้ทานเพราะเห็นแก่อุปทิสุขอุปทิสศคือโลกยียสุขนะก็คือสู่แบบโลกโลกนะที่ผู้คนปรารถนากันบัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่ให้ทานเพราะเห็นแก่อุปทิสุขหรือเพราะหวังพบหมาพบหมายคือหวังทําบุญแล้วเูื่อจ่ได้ไปเกิดเป็นเทวานจะได้เป็นเกิดเป็นเศรษฐีนะครับ ในชาติหน้าอ น, นั้นไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตนะท่บอกพระสารีบุตรบอกว่าเมื่อให้ทานเนี่ยเมื่อบัณฑิตให้ทานจะไม่ทานเพื่อกําจัดกิเลสและไม่ก่อภพใหม่ไม่ก่อภพใหม่คือว่าไม่ต้องเกิดอีกแล้วนะก็คือนิพพานนั่นแหละนี่คือวิสัยของบัณฑิตเวลาให้ทาน ถ้าการให้ทานเนี่ยมันสามารถจะทําให้ช่วยกําจัด ก, กิเลสได้แล้วก็ทําให้ได้ใกล้และช่วยช่วยลดการเกาะพบได้ถ้าเราให้ทานโดยไม่ให้ทานโดยไม่ปรารถนาอยากได้โนู่นได้นี่แต่ให้ทานเพราะหวังจะมุ่งลดละยิ่งมีความยึดติดถือมันน่นในอะไรเนี่ยก็ต้องให้ทานสิ่งนั้นมากๆนะมันจะช่วยลดละได้ แล้วก็วิธีหนึ่งในการฝึกการลดละคือว่าเวลาให้ทานอาไราเนี่ยจะเป็นถวายอาหารถวายผ้าจีวรถวายผ้าไตาให้แล้วก็คือให้เลยส่วนใหญ่ไม่ได้ให้เลยเนะเวลาถวายอาหารก็คอยดูว่าหลวงพ่อจะถวายอาหารจะชันอาหารของชันไหมเวลาถวายผ้าก็กจะดูว่าหลวงพ่อนี่คล้องผ้าชันไหม ถหลวงพ่อไม่ฉันอาหารของฉันไม่คล้องผ้าของฉันจิตใจก็เศร้าหมองอันนี้แสดงว่ายังไม่ได้ให้เลยนะเพราะว่ายังมีความรู้สึกยึดมากาเป็นของฉันอยู่ถวายท่านไปแล้วแต่ยังคิดว่านี่อาหารของฉันนี่ผ้าจีวรของฉันไม่ได้ลดไล่แท้จึงไม่ได้ตัดไม่ได้ปล่อยวางแท้จริงคือถ้าถวายด้วยอาการที่ปล่อยวางนะก็คือว่าถวายแล้วก็ถวายเลยไม่ใช่ของฉันแล้วเป็นของท่านไปแล้ว อาหารเป็นของหลวงปู่ไปแล้วเสื้อผ้าเป็นของหลวงพ่อไปแล้วท่านจะฉันท่านจะครองหรือไม่เป็นเรื่องของท่านเราไม่สนใจเพราะถือว่าได้ถวายไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นการฝึกปล่อยวางนะเป็นการให้ทานแบบไม่ไม่มีเยื่อใยเลยนะนั้นเนี่ยเราเวลาต้องต้องตั้งจิตแบบนี้นะให้ใครไปแล้วเนี่ยให้ไปเลย อันที่จริงรวมไปถึงการให้การให้การช่วยเหลือใครนะเวลาช่วยเหลือใครเนี่ยนะไม่ว่าช่วยด้วยเงินหรือช่วยด้วยอะไรก็ตามเนี่ยให้แล้วก็ให้เลยจะไปคอยทวงบุญคุณจะไปคอยนึกว่าเนี่ยเขาเป็นนี่บุญคุณเรานะแล้วก็ยังต้องคอยตอบแทนบุญคุณเรานะการให้แบบนี้ยังเป็นการให้แบบไม่เสด็จน้ําแล้วจะทุกข์นะเพราะว่าเวลาเราช่วยใครไปแล้วเนี่ย ลึกๆเราคอยตั้งหน้าตั้งตาดูว่าเขาจะตอบแทนเราอย่างไรถ้าเขาไม่ตอบแทนเราเราก็ทุกข์เราก็เกลียดเขาหรือเขาตอบแทนเราแล้วแต่ไม่ถึงอกถึงใจเราเราก็หาว่าเขาเนี่ยไม่สำนึกในบุญคุณเกิดความรู้สึกไม่ดีกับเขาทําให้เกิดความร้าวฉานกันมากขึ้นการให้แทนที่จะเป็นเครื่องสมานน้าใจกลายเป็นเครื่องทําให้เกิดความรู้สึกหืนห่างต่อกัน เวลาให้ให้อาหารเวลาให้ให้ทานกังใครนะลองนึกเหมือนกับเราให้อาหารแมวนะเวลาเราให้อาหารแมวเนี่ยนะมันต่างอย่างให้อาหารหมานะเวลาเราให้อาหารหมาเนี่ยหมามันจะรู้สึกพักดีกับเราแต่เวลาเราเลี้ยงแมวเราให้อาหารแมวนี่นะหมาแมวไม่รู้สึกพักดีกับเราเลยนะเราให้มันนะทุกวันทุกวันเนี่ยเวลาเราเรียกมันมามามาเนี่ยมันมา มันไม่มาแต่เราต้องไปหามันนะใช่มหมอ๋ยมีคนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราให้อาหารมานะหมามันนึกว่าเราเป็นพระเจ้าแต่ถ้าเราให้อา ห, ห, ห, หารแม่นะแมมันนึกว่ามันเป็นพระเจ้าเพออื่อจะมาเลี้ยงแมวแต่มารู้เลยนะใครๆที่เลี้ยงแมวก็รู้เลยนะว่าให้เวลาเลี้ยงแมเนี่ยแมวก็ไม่ได้ทำดีกับเราหรอกแต่เราก็เลี้ยงอาจจะเพราะความน่ารักหรืออะไรนะ แมวไม่ได้พักดีกับเราแมวไม่ได้รู้สึกสำนึกแต่บุญคุณของเราแต่เราก็เลี้ยงใช่ไหมเวลาเราให้ช่วยเหลือใครลองลองนึกแบบนี้บ้างว่าเออเราก็เหมือนกับเราเลี้ยงแมวนะเราไม่ได้คาดหวังความพักดีจากของแมวเวลาเราให้ใครเราก็ไม่ได้หวังความสำนึกแต่บุญของเขาและจะสบายใจนะให้เราลืมไปเลยว่าเราเคยให้เขาช่วยใครแล้วลืมไปเลยว่าเราเคยช่วยเขาแล้วจะสบายใจ แต่ถ้าให้แล้วเนี่ยยังคอยนึกว่าเอ๊ะเขาจะตอบแทนบุญคุณเราไหมเขาจะสำเนาบุญคุณเราไหมเนี่ยเราจะเราจะทุกข์นะแต่ทางตรงข้ามถ้าใครช่วยเราใครให้เรานะเราต้องจําให้แม่นไม่ลืมนะใครลืมเนี่ยนะแสดงว่าแย่แล้วนะมีเรื่องเล่านะตัมมาก็ฟังเราเพิ่งได้เพิ่งได้ยินมานะมิเนื่องที่ช้ายที่ลังกา ประเทศลังกามีผู้ชายนหนึ่งเนี่ยแกชอบไปให้อาหารปลาเป็นพวกพวกขนมปังนะให้อาหารปลาตรงแค่เค้าเรื่อยเป็นลากูลากูนัคือว่าเป็นเป็นเป็นสะเป็นสาที่มันเชื่อมต่อกับทะเลนะให้อาหารปลาแล้วให้มาอยู่นานอนูทั้งวันหนึ่งี่มีจระเข้มาจระเข้มันมาแกก็ให้อาหารจระเข้ไปด้วย นะคนก็บอกให้ไปทําไมตรเะเข้แกก็ให้ให้มันทุกวันอ่ะนะให้หารปลาด้วยให้จระเข้ด้วยแล้ววันหนึ่งเนี่ยยี่สบกธันวาปีสี่เจ็ดจำได้ไหมเกิดอะไรขึ้นสึนามิมันไปถึงลังกาเลยนะกําลังให้อาหารอยู่นะสึนามิมานะโวมันมันซัดเข้าไปเลยนะแล้วก็ดึงเข้าไปใน ท, ทะเลนะมันพาเขาไปออกไปติดทะเลเลยนะเขาก็เห็นเขาตกใจมากเขาเห็น ไม้เห็นนั่นแหละเขพยายามเกาะนะมันก็หลุด น, นะเห็นเก้าอี้เกาะเอาไว้เก้าอี้ก็โดนคลื่นซัดแตกแล้วเขาเนี่ยถูกไหลพัดไปทะเลไกลนะจู่ๆก็เห็นท่อนไม้ท่อนหนึ่งเขาก็รีบคว้าเลยเขานี้คว้าได้ไม่นเลยนะก็กาะเอาไว้เลยแล้วก็จกนกระทั่งเขาเนี่ยสามารถที่จะลอยตัวขึ้นมาหายใจได้สักพักหนึ่งก็สังเกตเฮ้ยขณะที่ไม้ท่อนอื่นเนี่ยมันไหลไปตามน้าเนี่ยไอย้ไม้ท่อนเนี่ย มันมันพุ่งก็หาฝั่งเขาสังเกตทีเอ๊ะมันไม่ใช่ไม้นะมันคือจระเข้อะจระเข้ตัวนั้นแหละที่เขาให้ให้ขนมปังทุกวันเนี่ยนะไม่น่าเชื่อนะว่าจระเข้เนี่ยมันมันมันจำเพื่อนั่นมันช่วยเขา่เขาลอดตาจากศัตรูมีนะเพราะไอ้จระเข้ตัวเนี้ยจระเข้ตัวที่เขาให้ขนมปังทุกวันจระเข้มันยังจำ คนที่มีบุญคุณกับมันด้นะนี่สัตว์เดรัจฉานนะเลยคลานด้วยแล้วถ้าใครเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่าไม่สำนึกในบุญคุณของผู้อื่นนะมันแย่แล้วนะเพราะในเวลาเราได้รับความช่วยเหลือใครเนี่ยต้องสำนึกในบุญคุณเขาไม่ลืมเพราะถ้าเราลืมเมื่อไหร่เนี่เราแย่ยิ่งกว่าจะตวะะะ์เลยคลานไปอันนี้ไม่น่าเชื่อนะและเรื่องทานเนี่ยมันมันมันมันมีความหมายที่ลึกซึ้งนะถ้าเกิดว่าเราเราวางใจถูกเข้าใจถึงมุ่งหวางของการให้ทาน คือเพื่อการลดการละเพื่อการคลายความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้แหละคือปุณที่สําคัญเพราะว่ามันจะทําให้เราได้เข้ า, ขาใกล้พานิพพานพระนิพพานคือความสุขแบบยันที่เกิดจากความลดความละและถึงแม้จะยังยังไม่เข้าถึงนิพพานหรือว่ายังไกลาจากนิพพานอยู่แต่ว่าเวลาเราเจอความพลาดพลาดสูญเสียเราจะทุกน้อยลงและเมื่อถึงคราวที่เราจะตายเนี่ยเราจะปล่อยวางได้มากขึ้น เพราะว่าเราได้ฝึกการลดการละนะแล้วต่อไปเนี่ยวิธีสิ่งที่ช่วยฝึกการลดการละอย่างนี้คือว่าเวลาของหายเวลาของหายโทรศัพทหายเงินถูกโกงเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งนะที่เราจะฝึกการลดการฝึกการปล่อยวางได้ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาของหายเนี่ยนะเรารสึกไงเสียดายใช่ไหมเสียดายแล้วเราก็คิดเป็นวัน เป็นคืนบางคนถูกโกงไปมีครูหนึ่งถูกโกงไปเป็นหมื่นนั่นหมายเป็นแสนเพื่อนโกงนะโอแกทั้งแครแกทั้งทุกนะแกะทุกข์จนทั้งแกไม่ยอมกินไม่ยอมนอนนะเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะแม่บอกให้กินเธอแม่บอกให้พักผรแต่แกก็ไม่ยอมจนร่างกายผายปอบจนทั้งแย่ อันนี้เป็นพ่ออะไรฮะพอปล่อยวางไม่ได้นี่เป็นอาการคนที่รักเงินมากกว่ารักตัวเองคนเรามักจะว่าเรารักตัวเองนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรักเงินมากกว่าและไม่รู้ตัวด้วยนะว่ารักเงินถ้านั้งที่เงินหายแล้วก็ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนก็ยังไม่รู้ตัวเองแล้วว่าเรารักเงินมากกว่ารักตัวเองถ้ารักตัวเองจะทำร้ายตัวเองแบบนั้นนะรักเงินฮร รักเงินเพราะอะไรเพราะไปยึดมั่นถึงมกกันกับมันมากพอเงินหายก็เลยทุกข์แต่ทุกคนที่เ็าปล่อยวางได้นะเงินหายก็หายแต่เงินใจไม่หายใจไม่เสียสุขภาพก็ไม่เสียพอใจไม่เสียไม่หงุดหงิดไม่ว้าวุ่นทำงานก็ทำงานได้ดีไม่เสียงานนะแต่ถ้าหากว่าไม่ปล่อยวางนะ แทนที่จะเสียแต่เงินนะเสียใจใจเสียเสียสุขภาพาเพากินไม่ได้นอนไม่หลับงานก็เสียถึงแม้ไปทำงานได้แต่ใจไม่มีสมาธิสารพองหุนหะิดนะกุ้หมากุ้นใจใครมาพูดไม่ถูกใจก็ว่าดา่าเพื่อนมาหยอกล้อก็ด่าเพื่อนเสียเพื่อนอีกหรือบางทีทำอะไรที่ไม่ดีนะมีเพื่อนตมาเนี่ยพอตมาพูดถึงนึงแกบอกไม่ใช่เสียแค่นั้นนะ เสียหมาด้วยนะ่แค่เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนนะเสียหมาด้วยนะคือมันลืมตัวน่ยนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าความยึดติดหรือมัน่นแต่ถ้าเราลองฝึกนะฝึกให้เราฝึกการปล่อยวางบ้าง <c oughs> เวลาของหา ย, ยก็ลองฝึกเออหายก็หายไปเราจะรักษาใจไม่เสียเราจะรักษาสุขภาพไม่เสีย คุณก็จะเสียแค่อย่างที่วคือเสียเงินแต่อย่างอื่นไม่เสียนะเวลาเราเงินหายถูกโกงลองคิดเป็นลองถือว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้ฝึกใจของเราให้ปล่อยวางใหม่ๆทําได้ยากแต่จะเริ่มต้นจากการที่ว่าใจเนื้ซื้อของแล้วเนี่ยแม่ค้าแม่ค้าทอนเงินไม่ครบขาดไปสิ บ, บาท น, นี่เออปล่อยวางมันไม่ใช่ขาดไปสิบบานทนี่คิดเป็นวันคิดเป็นคืนนะ ไม่คุ้มเลยฝึกปล่อยวางวันนี้แหละนะไม่ใช่สุดจากการให้ทานเท่านั้นฝึกจากหเหตุการณ์ที่ไม่ไม่เคถูกใจในชีวิตประจําวันที่เรียกว่าอนิจจาลมนะแล้วคุณจะพบว่าถึงเวลาที่คุณสูญเสียคุณพลดพลาดเนี่ยคุณก็จะปล่อยวางได้ง่ายและถ้าคุณปล่อยวางได้ง่ายเนี่ยใจคุณก็จะกลับเป็นปกติมีความสุขเหมือนเดิมนะได้คุ่มบอกุ้มใจ แล้วถึงเวลาทชื่อต้องตายเนี่ยจะต้องพัดพรากจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเลยก็ไม่ทุกข์ก ร, ะกระทรมอะไรไม่ใช่ว่าจะตายอยู่แล้วลืมลูกจำชื่อลูกไม่ได้จำชื่อพ่อไม่จพ่อตายเวลาแล้วจชื่อลูกไม่ได้จำชื่อคนรักไม่ได้จำชื่อลาไม่ได้แต่ทุกวันก็เอาสมุดบัญชีมามาเปิดดูทุกวันทุกวันว่ากูมีทรัพย์สินเท่าไหร่ ถ้มีนะั่มีหลายคนเป็นอย่างนี้นะเป็นอัลไซเมอร์แล้วเนี่ยแต่ว่าที่ยังจํำแม่นก็คือนะเรื่องทรัพย์สินเงินทองว่าใครว่ามีเท่าไหร่ใครกู้ใครยืมไปเท่าไหร่นะอันนี้แสดงว่าเป็นธาตของเงินละเงินทานที่จะเป็นเป็นค่ารับใช้ของเรานะเงินเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีเป็นนายที่เลวนะถ้าเราปล่อยให้เงินเป็นนายเราเราก็ เสร็จมันแต่ถ้าเราเป็นนายมันเราก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นเนี่ยคือคือบุญนะที่เกิดจากการให้ทานนะก็คือการช่วยลดการละการปล่อยการวางแล้วต่อไปเวลาเรารักษาศีลศีลก็จะช่วยปล่อยวางช่วยให้ใจเราปล่อยวางได้ง่ายๆขึ้นนะ อันนี้พูดถึงเราที่เราทำอันนี่เราเป็นการถวายสังฆทานนะสังฆทานนิประโยชน์อย่างหนึงก็คือเกิดขึ้นกับบุคคลที่สามนั่นคืคลที่เรารักนอกจากผู้รับคือพระได้ประโยชน์นอกจากเราซึ่งเป็นผู้ให้ได้ประโยชน์ได้บุญอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยบุคคลที่สามก็ได้ประโยชน์คือได้บุญเหมือนกันก็คือคนที่เราอุทิศให้คนเหล่านั้นเนี่ยตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ราอาจะ เมื่ค่อยได้มีเวลาช่วยเหลือเอื้อฟื้อเขาหรือทําแล้วแต่ว่าเรายังรู้สึกว่าทําได้ไม่มากพอเมื่อเขาจากไปก็อาจจะรู้สึกเสียใจแต่ว่าการที่เราได้อุญสุศลกุศให้เขาเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะช่วยช่วยช่วยเหลือเขาเพราะว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญกุศล มันช่วยลดความเศร้าโศงลดช่วยลดความความความรู้สึกผิดออกไปจากใจเราได้เ okay. <Okay. S 1> พราะฉะนั้นเนี่ยสังฆทานจึงเป็นการทำบุญที่ชาวพุทธนิยม okay. แล้ ว, วันนี้เราก็มาร่วมกันมาทำบุญที่ว่าสังฆทานาะ ว, ว่าสังฆทานก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือว่า มันคือการถวายทานจกสงนะสงคือพระสงา์ใส่รูปขึ้นไปนีจะเป็นตัวแทนก็ได้อย่างเช่นมาวันที่มารับในน้ำสงรับเสร็จของที่ถวาก็จะเป็นเป็นประโยชน์กับวัดซึ่งใครจะได้ประโยชน์ก็ได้จะเป็น้ารูปไหนใช้ประโยชน์จากของที่เราถวายก็ได้ทั้งนั้นเป็นการถวายแบบไม่จอดจงจึงมีอนิสง์มาก ถ้าถวายกับพระรูปใดรูปหนึ่งนี้ไม่เรียกวสังฆทานนะั้นเรียกว่าปาติบุคคลิจทานต้องถวายกับสงฆ์คือพระตั้งแต่ศีรุ่ขึ้นไปหรือว่าตัวแทนของสงฆ์ น, นี่เรียกว่าสังฆทานเพราะคําว่าสงฆ์นี่แปลว่าพระไงศีรุ่ขึ้นไปนะถ้าภาพเป็นอ ง, องค์เลื่อนเราเป็นพิษุนะอันนี้ก็เข้าใจความหมายสังฆทานนะและ้วก็ก็ขออนุโมทนาณนะายโยมทุกคนที่ได้มาร่วมกันทำบุญในวันนี้ ขออ้างคุณพระศิรตนาไตรอำนวยวยผลให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอาญุนวนนาสุขาภละเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทำความดีงามให้ถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนาให้บังเกิดความสุขทั้งกายและใจให้มีปัญญาสามารถพาจิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเสษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเอิดก่อนที่จะให้พอยกดน้ําด้วยก็ กลาวบางสกุลสั้นๆนะกับให้แก่ผู้ที่ลงรับไปความกล่าวบางสกุลที่เริ่มต้ น, นด้วยอนิจจาเนี่ยความหมายก็ดีนะเราบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เทีียดหน อ, นอ <c oughs> เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดานะมีแล้วหายไป ความสงบระงับปล่อยวางสงคาญทั้งปวงเป็นสุดอย่างยิ่งเรื่องการปล่อยวางเนี่ยก็เป็นสาระสำคัญของการของคาถาบางสกุลนะที่เราควรพิจารณาไว้วสังตอะนิวะครับ อดีตเจ้าวัดอสังปเวทโนปัจจิตวาสสมสค